สมถะเพทะว่าด้วยประเภทแห่งสมถะหอธิกรณะปริยายะวาระวาระว่าด้วยการอธิบายอธิกรณ์2วิวาธาธิกรณ์มีอะไรเป็นหัวหน้ามีฐานเท่าไหร่มีวัตถุเท่าไหร่มีภูมิเท่าไหร่ มีเหตุเท่าไรมีมูลเท่าไรพิกสุวิวาทกันด้วยอาการเท่าไรวิว า, าทาธิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรอนุว า, าทาธิกรมีอะไรเป็นหัวหน้ามีฐานเท่าไรมีวัตถุเท่าไรมีภูมิเท่าไรมีเหตุเท่าไรมีมูลเท่าไร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 อาปตตาทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรกิจจาทิกรมีอะไรเป็นหัวหน้ามีฐานเท่าไรมีวัตถุเท่าไรมีภูมิเท่าไรมีเหตุเท่าไร่มีมูลเท่าไรกิจเกิดด้วยอาการเท่าไรกิจจาทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร 293ถามวิวาธาธิก่อนมีอะไรเป็นหัวหน้าตอบมีความโลภเป็นหัวหน้ามีความโกรธเป็นหัวหน้ามีความหลงเป็นหัวหน้ามีความไม่โลภเป็นหัวหน้ามีความไม่โกรธเป็นหัวหน้ามีความไม่หลงเป็นหัวหน้าถามมีฐานเท่าไหร่ ตอบมีฐานคือเรื่องทำความแตกร้าวสิประการถามมีวัตถุเท่าไหร่ตอบมีวัตถุคือเรื่องทำความแตกร้าวสิประการถามมีภูมิเท่าไหร่ตอบมีภูมิคือเรื่องทำความแตกร้าวสิปประการถามมีเหตุเท่าไหร่ตอบ มีเหตุเก้าคือกุศ ล, ละเหตุสามอกุศ ล, ละเหตุ3อัพยากตะเหตุสามถามมีมูลเท่าไรตอบมีมูลสิบสองถามภิกษุวิวาทกันด้วยอาการเท่าไรตอบภิกษุวิวาทกันด้วยอาการสองคือ 1. เห็นว่าเป็นธรรม 2. เห็นว่าเป็นอธรรมถามวิวาธาทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบวิวาธาทิกรระงับด้วยสมถะสองคือ 1. สัมมุขาวิไนยัย 2. เยปุยสิกาสองร้อยก้าสิบสี่ถามอนุวาธาทิกรมีอะไรเป็นหัวหน้า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 คือวิบัติ4ถามมีภูมิเท่าไรตอบมีภูมิคือวิบัติ4ถามมีเหตุเท่าไรตอบมีเหตุ9คือกุศละศละเหตุสามอากุศลละเหตุสามอัพยากตะเหตุสามถามมีมูลเท่าไรตอบมีมูล14ถาม ภิกษุโจดกันด้วยอาการเท่าไรตอบภิกษุโจดด้วยอาการสองคือ 1. วัตถุ 2. อ, อาบัติถามอนุวาทาธิกกรระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอนุวาทาธิกกรระงับด้วยสมถะสี่คือ 1. สัมมุขาวินยัย 2. สติวิไน 3. อมูรหะ ว, วินัย 4. ตัดสปาปิยศิกา 295. ถามอาปัตตาธิกรมีอะไรเป็นหัวหน้าตอบมีความโลภเป็นหัวหน้ามีความโกโรธเป็นหัวหน้ามีความหลงเป็นหัวหน้ามีความไม่โลภเป็นหัวหน้ามีความไม่โกรธเป็นหัวหน้า มีความไม่หลงเป็นหัวหน้าถามมีฐานเท่าไรตอบมีฐานคือกองอาบัติเจ็ดกองถามมีวัตถุเท่าไรตอบมีวัตถุคือกองอาบัติเจ็ดกองถามมีภูมิเท่าไรตอบมีภูมิคือกองอาบัติเจ็ดกองถามมีเหตุเท่าไรตอบ มีเหตุ9คือกุศลละเหตุสามอกุศ ล, ลเหตุ3อัพภยากตะเหตุ3ถามมีมูลเท่าไหร่ตอบมีมูลคือสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานถามภิกษุต้องอาบัต ด, ด้วยอาการเท่าไหร่ตอบภิกษุต้องอาบัต ด, ด้วยอาการ6คือ 1. ไม่ละอาย 2. ไม่รู้ 3. สงสัยแล้วขืนทรรม 4. สาคัญในของไม่สมควรว่าสมควร 5. สําคัญในของสมควรว่าไม่สมควร 6. ลืมสติถามอาปัตตาทิกรระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาปัตตาทิกรระงับด้วยสมถะ3คือ 1.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 มีความไม่หลงเป็นหัวหน้าถามมีฐานเท่าไรตอบมีฐานคือกรรมสี่ถามมีวัตถุเท่าไรตอบมีวัตถุคือกรรมสี่ถามมีภูมิเท่าไรตอบมีภูมิคือกรรมสี่ถามมีเหตุเท่าไรตอบมีเหตุเก้าคือกุศลละเหตุสาม อกุศลเหตุ3ามอภยากตะเหตุ3ามถามมีมูลเท่าไรตอบมีมูล1คือสงถามกิจเกิดด้วยอาการเท่าไรตอบกิจเกิดด้วยอาการสองคือ 1. ยัต่ติ 2. องอโลกถามกิจจาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไหร่ ตอบกิจจาธิกรระงับด้วยสมถะหนึ่งคือสัมมุขาวิไนาถามสมถะมีเท่าไหร่ตอบสมถะมีเจ็ดคือ 1. สัมมุขาวิไนยัย 2. สติวิไนยัย 3. อมูระหาวิไนยัย 4. ปติญญาตการณะ 5. เยปุยสิกา 6. ตัดสปาปิยศิกา 7. ตินวัฏฐากะสมถะมีเจ็ดอย่างเหล่านี้สมถะเจ็ดเหล่านี้เป็นสมถะสิบก็มีสมถะสิบเป็นสมถะเจ็ดก็มีมีโดยอ้อมด้วยอำนาจวัตถุถามพึงเป็นได้อย่างไรตอบวิวาทาทิกรมีสมถะสอง อนุวาธาธิกรมีสมถติสี่อปตาธิกรมีสมถติสามกิจจาทิกอมีสมมติหนึ่งอย่างนี้สมถติเจ็ดเหล่านี้เป็นสมถติสิบสมถติสิบจึงเป็นสมถติเจ็ดโดยอ้อมด้วยอำนาจวัตถุอธิกรณปริยายาวาระที่หกจบ